จิตใจเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังโดยความเคารพจึงจะประสบมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลนั้นผู้ที่ฟังธรรมนั้นจะผู้ที่แสวงหาธรรม มีความหิวโหยในธรรมอยู่แล้วเพราะได้ไปพบธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติยินดีพอใจปรากฏเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขาก็ตั้งใจฟังโดยความเคารพยินด้ รู่นเนื้อความในธรรมแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเรื่อมใส์ศรัทธาความเชื่อน้อมจิตน้อมใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติสุขัดอบรมอยู่เสมอตลอดเวลาการฟังธรรมมีอันิทรงมีประโยชน์อย่างนี้ประพฤติศาสนาสิยอยู่ได้ มาจนถึงปัจจุบันก็อาศัยการศึกษาโดยการได้ยินได้ฟังสืบต่อเนื่องกันมาตามอันดับถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วฉะไหนเราจะนึกได้เราจะรู้ได้ในธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิบัติที่เรารู้ได้และลึกได้เพราะอาศัยได้ยินได้ฟังแล้ว ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเราจึงเลือกได้พอรู้ว่าทางนี้ทางผิอทางนี้ทางผิดทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินเพราะเราที่จะเลือกได้การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างนี้จึเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสแล้ว เราควรยินดีเคี่ยนปลอใจตั้งออกตั้งใจศึกษาและสรบตรบฟังเมื่อฟังเข้าใจเนื้อความแล้วทันว่าโยนิโสมณศิกาละไปพินิจพิจารณาธรรมอุบายแยบคายในจิตในใจให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นแม่ชัดลงไป ฟังไว้ในจิตใจให้มั่นคงแล้วค่อยเอาออกประพฤติปฏิบัติซึ่งใดที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะประพฤติปฏิบัติได้เราก็ประพฤติปฏิบัติในทำส่ว น, นนั้นๆที่เราพอทําได้อันส่วนดึกซึ่งละเอียดนั้นเราค่อยปฏิบัติไปตามนั้นดับ เมื่อเราเข้าใจส่วนตื่นตื่นและส่วนที่จะพอรู้ได้แล้วงานส่วนนี้เราเข้าใจแล้วงานต่อไปอีกก็มีที่ธรรมะให้เราศึกษาละเอียดไปตามระดับจิตใจของเราก็จะได้เข้าถึงสภาพแห่งความละเอียดผลของการปฏิบัติก็ได้รับความสุขตามระดับละเอียดดึกซึ้งไปตามระดับ จิตใจหนักแน่นมั่นคงไปตามันดับที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราสร้างออกสร้างใจตรวจรองพินิจพิจารณาตามหลักความเป็นจริงนะที่เพื่งอย่างอื่นของเราไม่มี นี่ตามหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านัทที่เมสรนังอันอย่างที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีปฏิเสธคําว่าอย่างอื่นนั่นเราต้องเข้าใจว่ายังอื่นคืออะไรที่พึ่งติดแท้จริงคืออะไรที่พึ่งติดแท้จริงที่ท่านเจาะจงลงไปนั่น พุโทโธแม่สะระณังวรังนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างแสเดชส่วนอย่างอื่นนั้นไม่หนึ่งพึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดท่านจึงว่าพุพโทโธแมสะระณังวรังว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ตรวจพิิจพิจารณาให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเลยเลยไปสแสวงหาแต่ที่พึ่งอย่างอื่นนึกว่าจะพึ่งได้เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายที่สแสวงหาความสุขสแสวงหาเป็นคนไม่มีไม่อยากเป็นคนมีเวรมีภัยเป็นคนทุกข์ยากลําบากเดือดร้อน อยากเป็นคนอิสระให้มีความสุขแต่สแสวงหาความสุขสแสวงหาอิสระภาพสริภาพไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครได้พบได้เห็นความสุขและความอิสระภาพไปอยู่ที่ไหนเมืองไหนก็มีเทศการเ ด, ดเดียนซึ่งกันแล้กันมีแต่ความวุ่นวาย มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพึ่งไม่ได้แม้แต่อัตภาพร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งได้ แต่ที่จะาตามวามเป็นจริงนะเพราะเหตุใดเพราะมันทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเกิดมามีความสุขเกิดมาแล้วมีอัตภาพร่างกายแล้วไม่ใช่ว่ามีแล้วก็แล้วไปมีแล้วมันซุดซอมอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่บำรุงแต่เราไม่มีวัตไม่มีวัตถุคือปัจจังน้อยมีปัจจัยสี่อย่างจึงจะอยู่ได้ของสีอย่างนั่นเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเราต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อาถะร่างกายอันนี้อาหารการบริพอกก็ต้องมีเมื่อไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ ที่พักที่นอนที่อาศัยก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องมีเครื่องบำบัดเวลาเจ็บป่วยต่างๆเพราะอสัพภาพร่างกายมันมีมาแล้วล้วนจะเต็มไปด้วยโรคเกิดขึ้นใดทุกทิศทุกทางที่มีอยู่ในร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมี แอ็นมีกระดูกรู้ว่าจะเป็นที่เกิดของโรคทางนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ความสุขอย่างพึ่งพอใจอิ่มนำแต่สำราญได้อย่างไรท่านเห็นชัดอย่างนี้ท่านจึงกล่าวปฏิศเสธว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีทุกวันนี้ว่าชีวิตได้ยุ่ด้วยอาหาร การบริโภคกับแสวงหาแต่อาหารแสวงหาแต่การอยู่การกินโดยลืมคุณงามความดีลืมศีลลืมสมาธิลืมปัญญาลืมแบบรัตนะไรประพุทธประธรรมประสง์อันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงโดยมองไม่เห็นนึกว่าการอยู่การกินเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแต่เราพิจารณาดูแล้วคนที่ตายไป ในอดีตทั้งหมดเขาไม่มีอาหารการกินเหลือเขาไม่มีบ้านอยู่หรือเขาไม่มีเงินใช้หรอถ้าหากมีบ้านอยู่แล้วมีความสุขมีอาหารการกินแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มีประสาททั้งสามหลังพระองค์ก็ได้ความสุขแต่พระองค์ไม่ต้องละทิ้ง ไม่ต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องไป พ, พึ่ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาทำไมพระองค์จึงกลับมาแสวงหาอบรมจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งอันกเกษมเมื่อร่างกายของเรามันทรัค่าสุดโทมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายอะไร จะมาช่วยอะไรได้กับความทุดโสมขํมขาค่ากับความแตกดับของชีวิตกับความสลายของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รู้จักชีวิตที่แท้จริงเรารู้จักแต่ชีวิตที่ปลอมๆที่เป็นอาการทุกขะมาอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไป ร่างกายในกาอาศัยธาตุทั้งสี่มาอาศัยประชุมกันชั่วคราวก็สุดซ้อมไปคนละทิศละทางไม่ใช่ของเดิมของดั้งเดิมของแท้มันก็แตกจะลายไปเป็นของชั่วคู่ชั่วคราวเหมือนกับบ้านเรือนที่เอามาประกอบชั่วคราวแล้วก็ผุพังไปชีวิตของเราก็จากองค์ประกอบจากสิ่งต่างๆมาอยู่ประชุมกันเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเราก็หลงถือว่าเราได้ถือว่าเรามีถือว่าเราเป็นถือว่าเป็นของเราจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งลอนนั้นจะต้องแตกดับจะต้องสลายสูญหายไปก็ยังลงถือว่าเป็นของเราเยอะยังหวังว่าจะได้ความสุขจากสิ่งล่านี้มันจะได้ที่ไหนมันจะจริงกับเราเมื่อไหร่ มันสุดโทนที่ให้เราเห็นได้ชัดไม่ใช่เราพูดลอยๆโดยไม่มีถ้าเรามากําหนดดูอัตภาพร่างกายของเราทั้งหลายทุกคนทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารแต่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่ว่าสังขารสิ่งใดทั้งหมดล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกันทางนั้น ไม่ว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกระบดีรษ์คนมีอำนาจต่วัชญายตถาบ ด, ดาสศักสูงสักทิ์ไรก็ตามมีใครเหลืออยู่บ้างตั้งแต่ดีน์จนถึงปัจจุบันไม่มีใครเหลืออยู่ได้นี่จึงเป็นพยานหลักฐานเห็นแจ้งชัดลปะทีพึ่งอย่างอื่นไม่มีจริงๆรพึ่งไม่ได้จริงๆ ถ้าหากว่าจิตใจของเราได้รับอบรมฝึกฝนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยคึ่งได้ดีไปด้วยแต่ใจของเราไม่ได้อบรมให้ฉลาดให้ดีแล้วเอไปทําแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้จะมีอยู่ก็ไม่ให้เกิดความสุขจะได้ความสุขจากอะไรในบุคคลที่เปิดตัวไม่ดีจะได้ความเจริญอะไรจะมี ชีวิตมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งการประพฤติดีเป็นการกิเนดอยประพุติเจ้าเรายึดพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเป็นเนติแบบฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระศาสดาคู่ควรกราบไหว้ควรสักการะ บ, บูชาและเราทั้งหลายควรเดินตาม เพราะพระองค์มีความดีไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนทั้งในอัการกระทาด้วยกายทั้งการพูดด้วยวายจาตลอดถึงการคิดนึกโดยใจกายวายจาใจของพระองค์เป็นกายที่สะอาดเป็นวายจาที่สะอาดเป็นแต่จิตใจที่สะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะอาดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าเป็นต้น เมื่อเราระลึกแล้วเราพึ่งได้จริงๆทำไมจิตใจมีความสงบทำไมจิตใจมีความสุขความสงบและความสุขที่เราระลึกปล่อยวางอารมณ์นั้นๆเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาไม่อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องขอใครไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นทมไมก็ต้องไปเอาที่ไหนเราเอาผลิตได้จากความรู้ในจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือพึ่งผู้รู้พุทธะก็แปลพักผู้รู้สิ่งที่เรารู้มีอยู่แล้วเราก็พึ่งได้สิ่งไหนเราไม่รู้เราก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้ดีเราประพฤติปฏิบัติดีเราก็พึ่งได้ถ้าเราไม่รู้ล่ะไปทำแต่ผิดผิดก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้เพราะความรู้เพราะความฉลาด เพราะความสามารถแม้แต่ในการทำมาหาเลืองเีิที่ต้องอาศัยความรู้จึงจะกระทาได้คนไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าคาว่าพุโทโธก็ไม่ได้หมายเฉ พ, เพาะที่อื่นเรารู้อยู่ตรงไหนเราลองรละลึกดูสิรละลึกพุโทโธดูดิรู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราก็ พึ่งก็ตรงนั่นแหละรักษาผู้รู้นั้นปฏิบัติผู้รู้นั้นให้ดีทำความดีไว้กับผู้รู้อ่า ะ, ะลึกด้วยดีเดินด้วยดีทำด้วยดีพูดด้วยดีเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีไม่มีเวรไม่มีภยัยใครเล่ารังเกียจของดี สมัยไหนที่รังเกียจของดีชอบแต่สิ่งที่เลวเือๆไม่มีเราไปเกิดก็ต้องไปเกิดที่ดีได้สิ่งของและได้สิ่งของแต่ดีๆทั้งนั้น <c oughs> อยากไปคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงก็มีอยากได้เพื่อนฝูงที่ดีอเพราะเหตุใดเพราะความดีทําให้เกิดสุขกา ร, รพูดดีเพื่อปฏิบัติดีนี่แหละ ส่วนความดีคือพระธรรมการประพฤติปฏิบัติคือพระสงค์เรียกว่าสุปฏิปันโนส่วนพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วสารทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเพราะเหตุใดจึงว่ารู้เองเห็นเองก็รู้ถึงใครไม่บอกก็รู้ ถ้าเราปฏิบัติดีเราก็ต้องรู้ความดีของเราที่เราประพฤติปฏิบัติแต่จิตใจของเราดีเพราะการปฏิบัติดีเราก็รู้จิตใจมีความสงบมีความสุขเราก็รู้เนี่ยทีนี้ถ้ความสุขมันหายไปความไม่ความทุกข์เกิดขึนความวุ่นวายเกิดขึนเราก็รู้อีกแหละไม่ใช่ว่าเราไม่รู้รา่เมื่อเรารู้ ว่าความสงบหายไปความไม่สงบเกิดขึ้นความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมรารู้เช่นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจพินิพิจารณาความทุกข์ในเราไม่ชอบเมื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็พยายามแก้ไขภาวนาพิจารณาเพราะจิตใจไม่สงบเพราะจิตใจ ใ, ใจมีอุ ป, ปกิเล็กมันปรุงสิ่งที่ไม่ดีสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีนันนั่นเสียแล้วพากันมากระทาในสิ่งที่ดีพากันประพฤติปฏิบัติดี ไม่มีอะไรที่จะเราสงสัยแล้วว่าที่พึ่งทางอื่นไม่มีแล้วนอกจากเราจะมาทำกับความดีไว้ในจิตใจของเรานั่นเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ทำเราก็พึ่งไม่ได้เหมือนแต่อดผพานมาแล้วเรายังไม่ได้บรรลุทำเราไม่ได้รู้ทำอย่างละเอียดตามระดับเราก็เกิดเท่ากอนมาตลอด พระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้สัรู้ธรรมได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นสมบัติเฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็เฉพาะตัวของเราเท่านั้น เมื่อสิ่งตอนนี้เป็นสันทิฏฐิโกดโดยเฉพาะเฉพาะแล้วเราไม่ควรรอเราไม่ควรอ้างคนนั้นไม่ปฏิบัติคนนี้ไม่ภาวนาคนนั้นไม่ศึกษาคนนั้นเขาอไม่ได้ทำกับเราเราไปทาคนเดียวจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไรเราไม่ต้องคิดไม่ต้องอ้างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้อ้างผู้อื่น ฉันอ้างทำทสิ่ง น, นี้เป็นส่วนดีเมื่อประพฤติดีแล้วต้องความดีนั่นเราพึ่งได้แน่นอนแล้วก็ตั้งใจประพฤติความดีไม่ได้ประพฤติความดีเพื่อบุคคลใดคนหนึ่งปฏิบัติความดีเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อเป็นความดีของเราเพราะฉะนั้นใครไม่ดีก็ทมให้เราดีเราก็พอใจ ใครไม่ละเราก็พยายามละใครไม่สงบเราก็พยายามสงบใครไม่ปฏิบัติเราก็พยายามปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนพระองค์ ป, ปฏิบัติไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครออกมาด้วยมีแต่คนขับท่านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่ามีแต่ห้ามบางคนก็รอ้องโ่มร้องให้ พระองค์หลักหนีไปกรวิ่งหาทุกทิศทุกทางถ้าพระองค์เชื่อฟังคนเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าร่อรอให้เขาเห็นพร้อมรอยเขาธปฏิบัติแล้วจึงค่อยปฏิบัติแต่พระองค์ถือหลักความจริงว่ามนุษย์สั้นหลายเขายังไม่รู้ความดีอันแท้จริง เขาเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของเขาปัจจุบันเขาดีแล้วก็อยากให้เราไม่อยู่อย่างนั้นเหมือนกับเข า, เขาแต่สติปัญญาของพระองค์สามารถเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของการหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นทําให้มีกระทบกระเทือนเศร้าหมองใจอยู่ตลอดเวลาจิตที่เศร้าหมองจิตที่กระทบกระเทือนไม่ใช่จิตที่จะกล้า ล่วงออกจากทุกได้เป็นจิตที่วนเวียนอยู่ในวัฏจักเพราะไม่รู้หนทางที่จะออกเพราะไม่มองเห็นทางที่จะออกเขาไปด้วยความมืดเขาอยู่ด้วยความมืดเขาเลือกไม่ได้ใครไปดีไปชั่วเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จกเลือกเพราะเขาไม่เห็น บุคคลที่ไม่ได้อบรมธรรมะเสียเลยมันมืดทางใจมันมือดอย่างนั้นชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาได้อย่างไรเขาก็มืดชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเราควรทําอะไรควรละอะไรเขาก็มือดอีกชีวิตในอนาคตข้างหน้าเขาจะได้อะไรขึ้นมาเขาก็มือดอีกเขาอยู่อย่างไรข้างหน้าเขาก็มือดอีก เพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่พึ่งพึ่งไม่ได้เพราะความโมืดจะพึ่งอะไรได้ถ้าเราได้ปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสมะัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและได้ประพฤติปฏิบัติใหเห็นตามปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแ ล, แล้วเราก็มีช่องทางพอที่จะมองเห็นทำที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติและ รูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังเราพอที่จะมีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่ต้องลุกไม่ต้องคลาไม่ต้องมืดพอที่จะเห็นได้พอที่จะเดินได้พอที่จะรู้ตัวได้ ว่าอาดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตรเราจะทําอะไรต่อไปเราจะปัจจุบันนี้เราจะทําอะไรเราเพอจะเลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วทําดําเนินชีวิตไปในตามธรรมยึดธรรมคาสอนประพฤตเจอบเป็นหลักถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติชอบ ตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งได้พระสงฆ์เป็นที่พึง่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือพระธรรมที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแยกกันไม่ออกพระธรรมกับพระสงฆ์ก็แยกไม่ออกเพราะพระสงฆ์ก็ต้องสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมที่ตรงถูกต้อง ยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุได้ถึงทำที่ยังไม่บรรลุที่ที่จะถึงถ้ามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติควรแก่การบรรลุได้ให้ถึงที่สุดนักเมื่อเราปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทำแล้วก็เชื่อว่าเราได้พระสงฆ์ที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะการปฏิบัติไม่ใช่เพราะการคิดกันนึก ไม่ปฏิบัติเรื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกขัดอบรมศึกษาให้เข้าใจแล้วอยากมาลอยิตลอยใจให้เลินเล่อเสียเวลาชีวิตที่ผ่านมากเสียเวลามาแล้วทายเสียเวลาอีกอยู่ข้างหน้าไม่ทราบไม่แน่นอนว่าจะมีมากน้อยเท่าไร เพราะฉะนั้นขอให้ตั้างอกตั้งใจไว้ว่าชีวิตของเราจะยังเหลืออยู่ประมาณเท่าไหรน่นี้เราจะพยายามตั้งใจทําแต่คุณงามความดีมีความวิริยะความภาคความเพียรเรียกว่าสัมมาวายาโมมีความเพียรในทางที่ชอบในทางการดศีนถึงจะยากลําบากเท่าไหร่ก็อดทนภาคเพียรักษาให้บริสุทธ์ นรกฟ้าใจบริสุทธิ์วยายาจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์เรียกว่สัมมาวายาโม่เพียรรักษาความดีก็เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เห็นคนอื่นเขาทําก็ดีแม้แต่มีผลเกิดขึ้นจากการทําไม่ดีจะได้มาอย่างไรก็ไม่ควรจะหลองไม่ควรจะยินดีกับเขาเพราะเมื่อผลยังอผลความจริงยังไม่ปรากฏ แม้แต่สิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่เพราะได้มาเพราะสิ่งที่ไม่ดีก็าตามเวลาพน้พนมาถึงแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องทุกข์เขาจะต้องลาบากเขาจะต้องหาโอบายเพื่อให้พ้นจากลุกเรื่องจากทุกข์ น, นั้นนแต่ก็ไปไม่รอดเพราะผลกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลาย มีองค์สมเด็จพระสมมาสมาสพุทธเจ้าเป็นยอดพระองค์จึงสอนไม่ให้ทำกระทำกระทำความไม่ดีให้ทำแต่สิ่งที่ดีด้วยกายวาจาใจให้มีสติระลึกในทางที่ชอบสติมีอยู่แต่เราใช้ไม่เป็นไประลึกในสิ่งที่ไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษขึ้นมา เป็นหนทางที่ผิดเรียกว่ามมิจฉาสติไประลึกในทางที่ผิดไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการระลึกชอบการระลึกมาสู่กายของเรามาสู่ใจของเราให้เห็นกายของเราชัตตามความจริงเห็นจิตใจของเราชัติตามความจริง ถ้าเราพยายามมาละลึกกายมาเ ล, ลึกใจของเราให้รู้ความจริงเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่วุ่นวายสิ่งที่เดือดร้อนเสียแล้วมาละลึกสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็นใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจพิจารณากายเห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางเราก็จะได้เป็นคนเบาบางจะเป็นคนมีความสุข ความสุขมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจอยู่ที่การมาพิจารารู้กายรู้ใจของเราพยายามและลึกในทางสี่ชอบถ้าเราเห็นร่างกายาของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็เป็นเหตุให้เราไม่ประมาทไม่มวัวเมาไม่หลงไม่หลงในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเอง เราจะได้รียบทำประโยชน์เมื่อมีชีวิตอยู่ เ, เหมือนกับเรารู้ว่าแสงไฟแสงเทียนของเราเนี่ยมันจะดับเมื่อไหร่ก็ได้ เ, เพราะฉะนั้นเมื่อเทียนยังมีแสงสว่างยังมีอยู่แล้วเราก็เรียบทำงานงานอะไรที่ควรทำให้มันเสร็จก่อนที่เทียนจะดับ เ, เมื่อเทียนมันดับไปแล้วเราหาอะไรไม่เห็นจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันมืด หรืออุปมาเปรียบเหมือนโลกนี้มันมืดตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่มีแสงสว่างในโลกนี้เลยที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ในโลกนี้มันแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันเขาส่องให้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงไฟแล้วโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลยไม่มีใครอยากอยู่เลยมันมืดจริงๆ เพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่ไม่ได้ประพฤติธทำนั้นมันมืดจริงๆเหมือนกับโลกไม่มีดวงอาทิตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมมีอยู่ศาสนามีอยู่เราเกิดมาได้พบศานบสนาแลว่าได้พบแสงสว่างอที่พระธรรมคาสอนของพระองค์ ว, วางไวสองทางให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราควรที่ทําประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรม ถึงแม้ว่าเราจะต้องทําการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆใช้ใจของเรามีอยู่เราเกิดมาได้พบศาสนาแล้ว่าได้พบแสงสว่างที่พระธรรมคาสอนของพระองค์วางไวสอทางให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราควรรีบทําประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถึงแม้ว่าเราจะต้องทําการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆใช้ใจของเราดีแล้วมันก็ไม่เป็นอุปสรรค สิ่ ง, งนหล่นก็เคยลอยลอยได้รับความสะดวกสบายเครื่องอุดหมุนเพื่อคุณชะคุณให้ได้เราได้ได้ประพฤติทำด้วยถ้าใจของเราไม่ดีสนั้นทุกอย่างก็อุปสรรคไปหมดจะทําอะไรก็ลําบากจะทําอะไรก็ขัดข้องไปหมดไม่มีในจิตในใจนั่นอุปสรรคคือจิตใจไม่ดีสิ่งที่จําระอุปสรรคก็ ค, คือเราจะทําจิตใจของเราให้ดี แต่ใจเราดีเราสองบมีความสุขนะนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายกลัวทุกข์แสวงหาความสุขด้วยความคิดเห็นว่าการมีวัตถุเข้าของบ้านช่องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละมีความสุข าการทุ่มเทเวล า, วลาชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งเหล่านั้นผลที่สุดเมื่อใจไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอยู่ในบ้านก็มีปัญหามีเงนินมีทองก็มีปัญหามียดท้าบรรดาศักก็มีปัญหามีทุกอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่ดี อ้าหากว่าจิตใจของเราดีแล้วมีธรรมะอบรมดีนะยุ่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหาตางคนต่างประพฤติทำต่างคนมีทักรู้จักความจริงด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขทากัน ง, ง, งานก็มีความสุขแต่พุทเจ้าพระองค์ยิง่งครอบครัวใหญ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นพันพันเป็นห้าร้อย อยู่เป็นหมู่เป็นฝูงก็ไม่มีเรื่องอะไรกระเท่ากระเทือนเพราะประเพิธผัดถึงแม้ว่าการอยู่การชั้นจะได้รับความลำบากการะเท่ากระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่กระเทาะระเทือนจากจิตใจผู้ประพฤติดผัดท่านมารู้ความจริงแล้วท่านไม่แสดงออกในทางทุกข์ให้เกิดความมีเวรมีไฟเดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้สงบ ท่านยังราา ร, รักษาความสงบรักษาความเรียบร้อยของคณะของหมู่ของพวกอยู่ด้วยกันอย่างงามหน้าเคารพกลับไว่เลื่อมใสเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสแสวงหาที่พึ่งนั้นเราควรยึดหลักที่ท่านตั้งไว้ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างเป็นเสดอจพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ระลึกในจิตในใจของเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นนั่นเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราก็ระลึกว่าใจของเราไม่ดีเราเมื่อเรารู้ว่าใจของเราไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ชอบเราระลึกดูจิตใจของเรา ใจใจของเราไม่ดีเราก็ระลึกหาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าปฏิปทาของพระ อ, องค์พระองค์ละอะไรก็พยายามละพระองค์ทำอะไรพยายามครับเราก็ได้สเราก็พึ่งได้สิอย่างนี้งความไม่ดีก็หมดไปความดีก็เกิดขึ้นความสุขก็ตามมานี่ได้ที่พึ่งอย่างแทจ้จริงพระธรรมเล่า โดยลึกได้ทีไหนพระธรรมก็ ล, กลึกได้ในใจนั่นเองแหละเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจพระทําในส่วนที่เป็นอกุศลธรรมก็ต้องใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาก็ทําขึ้นมาก็มาจากใจเป็นผู้บงการให้ก็ทําทุจริตผิดความชื่อหายานะต่างๆ กัใจนี่แหละไม่ดีไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องเพระธรรมเป็นที่พึง่งเราก็ตรวจดูใจของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นเราพึ่งได้หรื อ, อยังเมื่อมีแต่ทุกข์เสียยากเราพึ่งไม่ได้แล้วเราก็พยายามทําใจของเราให้สงบโดยมีสติระ ล, ลึกภาวนาสมถภาวนาล้วนจะทำทั้งนั้นะ การภาวนาก็เลื่อนใจสร้างพระธรรมเป็นสติเพึ่งคือสติสร้างพระธรม ร, ร, ะธรมเป็นสติเพึ่งคือสมาธิเอพระธรรมคือปัญญามีไว้ในจิตใจถ้ายสิ่งสติสมาธิปัญญาเกิดมีในจิตใจแล้วก็พึ่งได้การใดเมื่อทําเหล่านี้สติก็ดีสมาธิก็ดีจิตใจก็จะมีความสงบ จะมีความสุขอย่างนี้เราก็พึ่งได้อยู่น้าเท่าไรก็ได้ก็มีความสุขนั่งก็ได้นอนก็ได้แพระสงฆ์ล่ะเราจะไปหาที่ไหนพระสงฆ์เราเป็นค า, วารวะแต่เราไม่ได้บวชหมายถึงการปฏิบัติเราไม่ได้บวชเป็นคารวาก็ได้บวชก็ได้ตามสติสมลังความสามารถของเรา สุปฏิันโนผู้ปฏิบัติดีรับผู้ปฏิบัติดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีตมีทานมีศีลมีภาวนาแต่ปฏิบัติอย่างถูกต้องสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจไม่เปิดพุทธกรรมอันไม่ดีทุจริตต่างๆก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกเหมือนกันอปฏิบัติดีเหมือนกันผู้ปฏิบัติโง่ จุดตรงต่อสารณะที่พึ่งคุณประพุทธประธรรมประสงค์เราเริ่มสายกรอบกราบไหวต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ยึดเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามปฏิบัติ ต, ตรงสูกต้องนั่นกนเราก็เชื่อว่ามีคุณประสงค์อยู่ใ น, ในตัวของเราเรากระสุดสาหาความรู้ของเราที่เรายังไม่รู้ ก็แสดงหาการได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจํานําไปปฏิบัติตามไม่เกิดอความรู้ด้วยจิตที่มันเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกความสงบความอเวกความสุขตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็พึ่งได้มีแล้วในตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติเราก็พึ่งได้ประสงค์สุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเราบริบูรณ เราอยู่สิทธิ์ไหนก็มีความสุขรู้โลกนี้ก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วการปฏิบัติไม่มีใครเอาไปเผาไปทําลายเหมือนกับร่างกายได้หรอกความดีมันอยู่ในจิตใจใครทําลายไม่ได้เพราะนอกจากเราจะทําลายเราเองเท่านั้นแต่เราเริ่มใสปฏิบัติมั่นในจิตในใจไม่มีใครทําลายได้เลย เราอยู่โลกหน้าเราก็ติดตามไปด้วยนี่พึ่งได้อย่างนี้เรียกการที่พึ่งอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติสึกหักอบรมเรามีสติมีปัญญาสามารถทิ่ส่องทางดำเนินชีวิตของเราเข้าไปสู่ความสะอาดล้สุดมหัศจรย์ไม่มีเครื่อง เศร้าหมองในจิตในใจให้คุณมัวให้หมืดหมดมีแต่สว่างสวยรุ่งเรืองไปตามบันดาบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงจำไว้ที่พึ่งของเรามีานี้พากันยึดมั่นปฏิปท า, าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งุกถูกประพุตประทำประสงค์ให้มันถูกตอ้องเมื่อเราทำ อย่างนี้โดยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและทั้งในบวงหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพอการกำหนดจดจำไว้ในใจแล้วตรวจรองทินิ้พิจารณาเกิดสติปัญญาอันเห็นชอบถูกต้องแล้วประพฤตปฏิบัติอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กลา้า เราก็สามารถจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังสแสดงมาสมควรในเวลาแยุติจะเพียงเท่านี้